ฟังธําที่จะให้เกิดประโยชน์นั้นต้องฟังด้วยความสงบเพราะจิตนี้ก็เหมือนกับเทปบันทึกเสียงถ้ามีเสียงอะไรมาป่า ป, ปนรบกวนเสียงก็ฟังไม่ชัดความรู้ที่จะได้รับก็น้อยถ้าฟังธําในที่สงบด้วยจิตสงบ ก, ก็จะมีแต่เสียงธรรมะอย่างเดียวคําพูดก็สะอาดฟังง่าย ธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกับการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นธรรมะที่ให้ประโยชน์มากเพราะไม่ใช่ธรรมะเพื่อการฟังอย่างเดียวแต่เป็นธรรมะที่นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติโดยตรงการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ถูกต้องนั้นต้องรู้จักและเข้าใจเรื่องของกายกับใจเพราะกายกับใจนี่แหละที่พาให้สุขพาให้ทุกข์มันเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าหากได้ฟังธรรมแล้วแต่ไม่นำมาปฏิบัติก็เปรียบเสมือนว่าได้เพียงเปลือกไม้เท่านั้นยังไม่ได้ลิ้มรสผลของมันว่าปรีโย์หรือหวานอย่างไรการฟังธรรมโดยไม่นำมาปฏิบัติก็เหมือนกับการได้จับหรือถือผลมไม้เท่านั้นยังไม่ได้กินไม่ได้ลิ้มรสมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะได้แต่ถือเอาไว้แต่ไม่รู้จักรสชาติหรือความอริดอร่อยของมันจะรู้ได้จริงก็ต่อเมื่อได้ลองรับประทานผลไม้นั้นด้วยตนเองซึ่งเมื่อรู้รสด้วยตนเองแล้วก็เป็นพยานในตนเองได้ถ้ายังไม่รู้เองเห็นเองอย่างนี้ก็เท่ากับมีแต่พยานภายนอกคือคนที่เขาให้ผลไม้แล้วก็ไปเชื่อตามที่เขาว่า ซึ่งไม่ใช่ความเชื่อของตนเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่าคนที่เชื่อแต่คนอื่นนั้นท่านไม่สรนเสริญท่านทรงสรนเสริญบุคคลที่รู้เป็นปัจจัตังคือรู้เฉพาะตนเองเปรียบเหมือนอย่างคนที่ได้ลิ้มรสผลไม้ด้วยตนเองฉะนั้นเพราะถ้าได้ลิ้มรสด้วยตนเองแล้วจะไม่ต้องไปถามผู้อื่นว่าเปรี้ยวหรือหวานอย่างไร ความสงสัยทั้งหลายก็หมดไปเพราะได้รู้ประจักษ์ในความจริงแล้วรู้อย่างทั่วถึงนี่คือคนที่รู้ธรรมมากแล้วผู้บรรลุถึงธรรมะ ก, ก็คือบุรุษ ท, ที่บรรลุถึงความเปรี้ยวหวานของผลไม้นั่นเองการแสดงธรรมก็เพื่อให้รู้สิ่งต่างๆสี่ประการคือให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุก ให้รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์เมื่อรู้แจ่มแจ้งทั้งสประการนี้แล้วมันก็หมดเราะทุกข์เราก็รู้เหตุของทุกข์เราก็รู้ความดับทุกข์เราก็รู้ข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เราก็รู้เมื่อรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งสี่ประการอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าจบปัญหาความสงสัยทั้งหลายก็หมดไป สิ่งทั้งสี่ประการนี้เกิดอยู่ที่ไหนก็เกิดอยู่ที่กายกับใจของเรานี่เองไม่อยู่ที่อื่นไกลหรอกแต่ทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแยกแยะธรรมะออกให้กว้างก็เพื่อจะอธิบายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ละเอียดเป็นอย่างๆออกไปเพื่อให้เรานำมากาหนดพิจารณาท่านทรงแนะนาให้พิจารณาร่างกายออกเป็นอย่างงเช่นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง เป็นต้นให้แยกแยะร่างกายออกมาเพื่อทำให้เห็นตามความเป็นจริงของร่างกายอย่าง ช, นชนานิชานาญให้รู้ยิ่งตามความเป็นจริงของสังขารอันนี้เพราะถ้าไม่รู้ตามเป็นจริงนี้แล้วเราก็จะไม่รู้จกักทุกไม่รู้จักเหตุของทุกไม่รู้จักความดับทุกไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกถ้าไม่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่รู้ข้อปฏิบัติ แล้วการฟังเทศฟังธรรมทั้งหลายก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมะมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งมีธรรมะอยู่ทุกที่ทุกสถานจะเป็นรูปมันก็เป็นธรรมะจะเป็นนามมันก็เป็นธรรมะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรเข้าใจว่าเราทั้งหลายนั้นเกิดอยู่กับธรรมะใกล้ชิดธรรมะอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราเข้าใจเช่นนี้แล้วก็จะเข้าใจต่อไปอีกว่าเราไม่ได้ห่างไกลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเราอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลาแต่ทําไมเราจึงไม่เห็นท่านก็เพราะว่าเรายังไม่ค่อยได้สนใจปฏิบัตินี่เองเพราะธรรมะคือพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนุ์ว่าดูก่อนอ น, นุ์ ให้ท่านทำให้มากจะเริญนให้มากปฏิบัติให้มากใครเห็นเราคนนั้นก็เห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นก็เห็นเราซึ่งแสดงว่าเราไม่ห่างไกลจากพระพุทธเจา้าไม่ห่างไกลจากพระธรรมเพราะพระพุทธเจา้าก็คือธรรมะและธรรมะก็คือพระพุทธเจา้าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงถือกำเนิดขึ้นมาในโลกครั้งแรก ก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะในตอนนั้นท่านยังไม่ได้ตัดสรู้ธรรมต่อเมื่อ ท, ท่านทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ด้วยการประพฤติธปฏิบัติของท่านคือรู้สัจธรรมรู้จักทุกขรู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์รู้จักความดับทุกรู้จักข้อประพฤติธปฏิบัติให้ถึงความดับทุกท่านจึงทรงเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นเมื่อเราถึงธรรมเราจะนั่งอยู่ที่ไหนเราก็รู้ธรรมะเมื่อเราเข้าใจในธรรมะพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจของเราพระธรรมก็อยู่ที่ใจของเราข้อประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเฉลียวฉลาดอยู่ที่ใจของเราเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติพร้อมด้วยกายวาจาจิตเช่นนี้แล้วเราจะเป็นผู้มองความดีความชั่วทั้งหลายด้วยความถูกต้องคือถูกต้องตามสัจธรรม ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสธธว่านี่คือความจริงหรือมันเป็นความจริงของโลกดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงทิ้งโลกคือทิ้งทั้งสรรเสริญทิ้งทั้งนินทาใครจะนินทาพระองค์ก็ทรงรับว่ามันเป็นอย่างนั้นใครจะสรรเสริญพระองค์ก็ทรงรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะทั้งสองอย่างนี้มันเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้น จิตใจของพระองค์ไม่ทรงวันไหวเพราะอะไรก็เพราะพระองค์รู้จักทุกขก็สิ่งทั้งสองนี้ทำให้พระองค์ทรงเกิดทุกขหากพระองค์ไปทรงเชื่อเข้าทุกมันก็เกิดเท่านั้นแหละเมื่อทุกเกิดจิตก็กระสับกระส่ายไม่สบายอกไม่สบายใจเมื่อจิตวุ่นวายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีแต่ความกระสับกระส่ายกระวนกระวายนั่นคือทุกอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุก ก็เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นทุกมันก็เกิดแล้วจะดับทุกนั้นอย่างไรก็ไม่รู้จักไม่รู้จักวิธีดับอย่างถูกต้องคิดเอาเองว่าขวรแก้ทุกอย่างนี้อย่างนั้นทุกก็ยิ่งเกิดทวีขึ้นมาอีกดังนั้นท่านจึงสอนว่าให้รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกคือน้อมธรรมะอันนี้เข้ามาในใจของเราให้มองเห็นว่าเป็นสัจธรรม ิจารณาให้ละเอียดให้เห็นจริงจนเป็นพยายนของตนเองได้พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งเสริมบุคคลเช่นนี้บุคคลที่เป็นอิสระไม่รับทั้งดีไม่รับทั้งชั่วเพราะทั้งดีและชั่วเป็นเรื่องของโลกเมื่อเป็นเรื่องของโลกมันก็เป็นอารมณ์ถ้าวันไว้ไปตามอารมณ์ใจของเรามันก็เป็นโลกคลาโลกอยู่ตลอดเวลา ก็เรียกว่าไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกมันก็ยิ่งกำเริบขึ้นมาเท่านั้นเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วก็จะรู้ว่าเรายังไม่ชนะใจตัวเองเรายังชอบเอาชนะคนอื่นมันแพ้ตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าเราเอาชนะตัวเองมันก็จะชนะทั้งตัวเองชนะทั้งคนอื่นชนะทั้งอารมณ์ชนะทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐะ เป็นอันว่าชนะทั้งหมดอันนี้พูดถึงเรื่องภายนอกมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องภายนอกมันก็ทำให้มาเป็นเรื่องภายในด้วยบางคนรู้แต่ภายนอกไม่รู้ภายใ น, นเช่นท่านพูดคำคำหนึ่งว่าให้เห็นกายในกายให้รู้กายแล้วก็ยังไม่พอให้รู้กายในกายอีกให้วิจารณากายแล้วก็ให้วิจารณากายในกาย แล้วก็ให้พิจารณาจิตและพิจารณาจิตในจิตอีกเป็นต้นถ้าเราเป็นผู้ห่างเหินจากการภาวนาแล้วเราก็จะเก้อเขินหรือไม่เข้าใจรู้กายทําไมกายในกายคืออะไรที่ให้รู้จิตจิตนี้มันคืออะไรของในจิตมันคืออะไรก็เลยไม่รู้เรื่องเพราะเป็นผู้ไม่รู้จักทุก์ไม่รู้จักเหตุของทุก์ไม่รู้จักดับความทุกข์ ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สิ่งที่ควรดับทุกข์ไม่ดับมัวไปสนใจในสิ่งที่มันไม่ดับเช่นว่าเราคันที่ศรีรษะอย่างนี้แล้วเราไปเกาที่ขามันก็ไม่ถูกจุดของมันมันก็ไม่หายนี่เรียกว่าไม่รู้จุดที่จะให้มันระ ง, งับความคันมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าไม่รู้จักดับมันข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ ก็ไม่รู้จักกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราทั้งหลายเก้อเขินมากเลือเกิดเพราะความที่ไม่รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารเช่นร่างกายเรานี้ร่างกายที่เราเอามานั่งประชุมรวมกันอยู่นี้ที่มองเห็นได้ด้วยตานั้นถ้าเห็นแต่รูปร่างกายเช่นนี้อยู่เพียงเท่านี้ มันจะเป็นเหตุให้ระงับความทุกข์หรือระงับเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นไม่ได้เลยทำไมก็เพราะว่าเราเห็นแต่กายข้างนอกเรายังไม่เห็นกายข้างในแต่เมื่อเห็นแต่ข้างนอกก็เห็นแต่ว่าเป็นของสะสวยเป็นแก่นสารไปหมดทุกอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่าแค่นี้ไม่พอที่เห็นข้างนอกอย่างนี้เด็กๆมันก็เห็นได้ สัตว์ทั้งหลายมันก็เห็นได้มันไม่ยากพอเห็นแล้วมันติดเห็นแล้วมันก็ไม่รู้เห็นแล้วมันก็ตะครุบตะครุบแล้วมันก็กัดปราเท่านั้นแหละมันเป็นเสียย้ยงนี้เพราะฉะนั้นจึงให้พิจารณากายไปในกายอะไรที่มีในกายก็ค้นคว้าหาดูซิว่ามีอะไรในกายให้เห็นว่าของในกายเรานี้มันมีอะไรอยู่บ้าง ที่เราเห็นภายนอกกายนั้นมันไม่ชัดเจนเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นอะไรทั้งหลายก็มีแต่ของที่สะสวยไปทางนั้นมันเป็นเครื่องย้อมใจเราเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นว่าเห็นไม่ชัดเห็นกายก็ไม่ชัดท่านจึงให้มองข้างในให้เห็นภายในกายแล้วก็ต้องมองเข้าไปอีกว่ากายที่อยู่ในกายนี้มีอะไรอยู่บ้างที่กายเนื้อกายหนังนี่มีอยู่อย่างนี้ ในกายนั้นมีอะไรบ้างพิจารณาดูให้แยกคายเข้าไปเถอะเราก็จะเห็นว่าในกายนี้มันมีอะไรหลายหลาอย่างสารพัดค้นเข้าไปดูแล้วก็จะแปลกใจทั้งนั้นแหละเพราะแม้แต่ของที่อยู่ในตัวเราเราก็ไม่เคยเห็นเลยแต่เราก็เดินเราก็อุ้มมันไปนั่งรถก็อุ้มมันไปทั้งนั้นแหละแต่เราก็ยังไม่รู้จักมันเลยว่ามันเป็นอะไรเป็นอย่างไรเหมือนเรารับของฝากเข้ามา เขาห่ออะไรให้เราเราก็ไม่รู้จับได้ก็ยัดใส่ตะกร้าดเดินมาเลยไม่ได้เปิดเมื่อไปเปิดดูแล้วจึงเห็นมีแต่อสกรพิษทั้งนั้นกายเรานี้ก็เหมือนกันเราเห็นแต่เปลือกนอกเราก็เห็นว่าสวยว่า ง, งามอะไรซารา่ารพัทธิ์อยากจนลืมตัวลืม ต, ลมตนลืมอนิจจังลืมทุกขังลืมอนัตตาลืมอะไรอะไรทั้งนั้นถ้าเรามองเข้าไปข้างในนั้นมันไม่น่าดูเลยนะกายของเรานี้ถ้าเอาของที่สะอาดมาใส่ มันก็สกปรกนี่เรื่องภายนอกก็สกปรกภายนอกส่วนเรื่องภายในก็สกปรกภายในเหมือนกันเรื่องภายในมันก็ยิ่งน่าดูยิ่งกว่านั้นอีกดูเข้าไปข้างในสิในกายของเรามีอะไรบ้างถ้าเราดูตามความเป็นจริงดูตามสัจธรรมโดยไม่เข้าข้างตัวเองแล้วมันเห็นสิ่งที่น่าสลดน่าสังเวชน่าอะไรอะไรร้า ย, ายหลายอย่างมันน่าจะเกิดนิพพา ความเบื่อหน่ายคำว่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ไปเกลียดไปโกรธมันนะแต่เป็นความกระเจาของจิตของเราเองเป็นความปล่อยวางเห็นว่าอันนี้ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลยไม่เป็นแก่นไม่เป็นสารอะไรเลยเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเรื่องของเขาเขาก็ตั้งของเขาอยู่อย่างนั้นใครจะไปอยากให้เขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราจะร้องไห้ก็ดี เราจะหัวเราะก็ตักสังขารนี้ก็เป็นอย่างนี้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่เทียงสิ่งที่ไม่สวยมันก็ไม่สวยมันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละถึงคนจะรู้ถึงคนจะไม่รู้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นดังนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านจึงว่าเมื่อเราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะทันมารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วควรปล่อยเข้าไปสักเมื่อหูได้ยินเสียงก็ปล่อย เ, เสียเมื่อจมูกได้กลิ่นก็ปล่อยเข้าไปเสียเมื่อรสมันเกิดขึ้นกับลิ้นของเราก็ปล่อยเข้าไปเสียเมื่อโผฏฐทัพระที่ถูกต้องด้วยกายเกิดขึ้นมาชอบใจไม่ชอบใจก็ปล่อยเข้าไปเสียให้กลับไปที่เดิมของเขาเสียเรื่องธันมารลมที่เกิดขึ้นกับใจของเรานี้มันไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องอาศัยสัมผัสอะไรมันสัมผัส ข, ขึ้นที่ใจของมันเองเรียกว่าธันมารม หรือธรรมะกับอารมเป็นส่วนดีก็เรียกว่ากุศลเป็นส่วนที่ชั่วก็เรียกว่าอากุศลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ปล่อยไปตามเรื่องของเขาซิเรียกว่าเรารู้มันอย่างนี้แล้วสุขก็ดีทุกข์ก็ดีสารพัดอย่างอยู่ในรูปอันเดียวกันการทําใจให้สงบเชินนี้เรียกว่าการภาวนา การภาวนาคือการทำให้สงบเมื่อสงบแล้วก็คือทำให้รู้การทำให้สงบหรือทำให้รู้นี้ต้องลงมือปฏิบัติกายกับจิตสองอย่างนี้เองไม่ใช่อื่นความเป็นจริงสิ่งที่กล่าวมานี้มันเป็นสิ่งละสิ่งเช่นรูปก็เป็นสว่วนหนึ่งเสียงก็เป็นสว่วนหนึ่งกลิ่นก็เป็นสว่วนหนึ่งรสก็เป็นสว่วนหนึ่งโหดทัพทะก็เป็นสว่วนหนึ่งธรมารมก็เป็นสว่วนหนึ่ง แต่ละอย่างเนี้ก็เป็นคนละส่วนคนละส่วนกันยแต่ท่านให้รู้ให้เรารู้จักมันสิแยกสิ่งทั้งหลายดังนี้ออกสรุปเป็นสุขบ้างทุกบ้างสุขเกิดขึ้นมาก็เป็นสุขขเวทนาทุกมันเกิดขึ้นมาก็เรียกทุกขเวทนาเรื่องสุขกับทุกท่านก็จัดเอาไว้เพื่อให้แยกมันออกจากกันออกจากจิตจิตก็คือผู้รู้เวทนานั้นคืออาการที่มันสุขหรือทุกชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้น เมื่อจิตของเราเข้าไปเสวยในอาการเราเรียกว่าจิตของเราเข้าไปยึดหรือหมายมั่นหรือสำคัญมั่นหมายในความสุขนั้นในความทุกข์นั้นนั่นเองการที่เราเข้าไปหมายมั่นนั้นก็คือเรื่องของจิตอาการที่มันสุขหรือทุกข์นั้นคืออาการของเวทนาที่เป็นความรู้นั้นเรียกว่าจิตของเราที่ชื่อว่าสุขหรือทุกข์นั้นมันเป็นเวทนาถ้ามันสุขก็เรียกว่าสุขคเวทนาถ้ามันทุกข์ก็เรีย ก, กยยว่า ทุกเวะนาที่ว่าจิตกับเวทนานั้นท่านให้เรารู้จักแยกมันออกจากกันคำที่ว่าแยกออกไม่ใช่ว่าเอาไปทิ้งไว้คนละอย่างคนละที่แต่ให้เราแยกโดยวิธีทำจิตเราให้สงบเช่นคนที่ทำสมาธิให้ถึงที่เป็นต้นเมื่อจิตสงบแล้วก็พิจารณาแยกมันเสียเพราะความสงบนั้นมันล้นเหลือ สุขนี้มันก็เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ถึงทุกนี้ก็เข้าไปไม่ถึงนี่คือที่ว่าเวทนามันแยกอย่างว่าเรานั่งสมาธิถ้าความสงบมันเข้ามาก่อนเวทนาเกิดทีหลังเวทนามันก็เดินเข้าไม่ถึงจิตก็ไม่รับรู้เวทนามันแยกกันอยู่ในตัวของมันเองกับกายนั้นพิจารณาให้รู้ว่าจิตที่เห็นเวทนานั้นเราเข้าไปยึดไหม ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นมานั้นเราเข้าไปยึดมันไหมเราก็จะรู้ว่าจิตของเรามันเป็นอย่างนี้จะรู้ว่าสุขมันเป็นอย่างนี้ทุกมันเป็นอย่างนี้เวทนามันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นคนเลาเรื่องกันอยู่จะเปรียบก็คล้ายกับว่าน้ำมันกับน้ำท่ามันปนอยู่ในขวดเดียวกันก็ปนกันได้แต่มันแยกที่อยู่กันมันจะอยู่ร่วมขวดกันก็ได้แต่มันไม่ซึมซาบเข้าด้วยกัน แม้จะปะปนกันอยู่น้ำมันก็เป็นน้ำมันน้ำท่าก็เป็นน้ำท่าทำไมมันถึงเป็นเชนั้นเพราะว่ามันมีน้ำหนักต่างกันมันจึงแยกกันอยู่อย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าปกติจิตของเราก็ไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อเกิดเวทนาเข้าก็เกิดสุขทุกอย่างนี้ ถ้าเรามีสติอยู่ก็จะรู้ว่าอันนี้เรียกว่าสุขที่เป็นสุขนั้นมันก็สุขอยู่แต่จิตรู้ว่าสุขนั้นไม่เที่ยง ม, มันก็ไม่ไปหยิบเอาสุขอันนั้นสุขนั้นมีอยู่ที่ไหนมีอยู่แต่มันอยู่นอกจิตไม่มีฝังอยู่ในจิตแต่ก็รู้ได้ชัดเจนหรือเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาถ้ามันแยกเวทนาได้ มันไม่รู้จักทุกหรอรู้มันรู้จักทุกแต่ว่าจิตมันก็เป็นจิตเวทนามันก็เป็นเวทนาจิตนั้นจะไม่ยึดเอาทุกมาแบกไว้ว่าทุกว่านี่มันเป็นทุกนี่ก็เพราะเราไม่ไปยึดให้เกิดเป็นความสําคัญมั่นหมายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแยกด้วยความรู้ท่านทรงมีทุกไหมอาการของทุกนั้นท่านทรงรู้มันแต่ท่านไม่ไปสําคัญมั่นหมาย ท่านทรงรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าท่านทรงแยกทุกข์ออกแยกเวทนาออกความสุขตามธรรมชาติรู้ไหมความสุขนันมีแต่ท่านรู้ว่าสุขนั้นเป็นพิษถ้าเราไม่รู้จักมันท่านก็ไม่ไปสําคัญมั่นหมายสุขนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนสุขนั้นมีอยูอ่มันมีอยู่ด้วยความรู้แต่ไม่มีอยู่ในจิตของท่านเช่นนี้ก็รู้ได้ว่าท่านแยกสุขแยกทุกข์ออกจากจิตของท่าน แยกเวทนาออกจากจิตของท่านทั้งที่มีอยู่ด้วยกันนั่นแหละคำที่กล่าวว่าพระพุทธองค์และพระอริยเจ้าของเราท่านตัดกิเลสแล้วท่านฆ่ากิเลสแล้วเนี่ย ไม่ใช่ท่านไปฆ่ากิเลสหรอกนะถ้าท่านฆ่ากิเลสหมดแล้วเราก็คงไม่มีกิเลสนะสิเพราะท่านฆ่าไปหมดแล้วเนี่ยความจริงท่านไม่ได้ฆ่ามันแต่ท่านรู้แล้วท่านปล่อยมันปล่อยมันไปตามเรื่องของมันใครโง่มันก็ไปจับเอาคนนั้นแหละท่านรู้เฉพาะใจของท่านว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นพิษท่านก็เคลียมันออกไป สิ่งที่ทำให้ท่านเกิดทุกข์ท่านก็เขียมันออกไปไม่ได้ไปฆ่ามันหรอกคนที่ไม่รู้ว่าท่านเขียออกกลับเห็นว่าดีก็ไปตะครุบเอาเออเฮ้อฮอันนี้ดีก็ตะครุบเอาความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านทิอย่างสุขอย่างนี้ท่านก็เขียออกเราก็เห็นว่าดีก็ตะครุบเอเลยจับใส่ย่ามไปเลยว่าของดีของเราความเป็นจริงนั้นท่านรู้ทัน เมื่อสุกเกิดขึ้นมาท่านก็รู้ว่ามันเป็นสุกแต่ท่านไม่มีสุขท่านก็รู้อยู่ว่าอันนี้มันเป็นสุขแต่ท่านไม่ไปสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นตัวเป็นตวนต ว, ว่าเป็นของเขาว่าเป็นของเราทั้งนั้นอย่างนี้ท่านก็ปล่อยมันไปทุกอย่างก็เหมือนกันความเป็นจริงสุขเวทนาทุกเวทนากับจิตของเรามันเป็นคนละอย่าง ก, กัน อย่างเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เนี่ยมันก็สบายนะแต่ถ้ามีไม้สักท่อนหนึ่งที่เราอยากได้เราไปแบกมันมันก็หนักนะท่อนไม้นี้มันก็คือเวทนานี่แหละตัวความอยากได้ท่อนไม้คือตัวจิตของเราที่เข้าไปแบกท่อนไม้มันก็หนักใช่ไหมละ่ะมันหนักถ้าคนมีปัญญาแม้หนักเขาก็ไม่ทุกข์รู้จักปล่อย เมื่อมันหนักเต็มที่เขาก็ปล่อยมันถ้าท่อนไม้นั้นมันมีประโยชน์จะเอาไปใช้ประโยชน์ก็ให้รู้ทันมันหากรู้อย่างนั้นมันก็ค่อยอย่างชั่วไม้มันจะได้ไม่ทับตายอย่างนี้จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอาการของจิตคือสุขเวทนาและทุกขเวทนาสารพัดอย่างนั้นมันเป็นอารมณ์มันเป็นส่วนโลก ถ้าจิตรู้แล้วงานที่เป็นสุขท่านก็ทำได้งานที่เป็นทุกข์ท่านก็ทำได้เพราะอะไรก็เพราะท่านรู้จักสุขรู้จักทุกข์ตามที่เป็นจริงถ้าคนที่ไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกข์นั้นก็จะเห็นว่าสุขกับทุกข์มันคนละระดับมันคนละราคากันถ้าผู้รู้ทั้งหลายแล้วท่านจะเห็นว่าสุขเวทนากับทุกข์เวทนามันมีราคาเท่าๆกัน ถ้าไปยึดในสุขนั่นก็คือบ่อเกิดของทุกข์ทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นมาเพราะอะไรนี่เพราะว่าสุขมันก็ไม่เที่ยงมันแปรไปมาเมื่อสุขนี้มันหายไปทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาดังนี้เป็นต้นพระพุทธองค์ท่านทรงรู้ว่าสุขทุกนี้มันเป็นโทษสุขทุกข์จึงมีราคาเท่ากันดังนั้นเมื่อสุขทุกข์เกิดขึ้นท่านจึงปล่อยวางไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มันมีราคาเสมอเท่ากันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตใจของท่านจึงเป็นสัมมาปฏิปทาเห็นสิ่งทั้งสองนี้มีทุกข์โทษเสมอกันมีคุณประโยชน์เสมอกันทั้งนั้นและสิ่งทั้งสองนี้ก็เป็นของที่ไม่แน่นอนตกอยู่ในลักษณะของธรรมะว่าไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เกิดแล้วดับไปทั้งหมดเป็นอย่างนี้เมื่อท่านเห็นเช่นนี้สัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นมาเป็นสัมมามัต จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ตา่างหรือความรู้สึกนึกคิดทางจิตนั้นจะเกิดขึ้นมาก็ตา่างท่านจะรู้ว่าอันนี้เป็นสุขอันนี้เป็นทุกข์เสมอเลยทีเดียวท่านไม่ได้ยึดพระบรมศ า, ศาสดาของเรานั้นเมื่อตัดสรู้มาใหม่ๆท่านเทศนาเรื่องกามาสุขันลิกานุโยโคอัตตากิลามัานุโยโคลิกสุทั้งหลาย กามาสุขันลิการุโยโคนั้นทางมันหย่อนอัตากิรมมฐานุโยโคนั้นทางมันตึงอันนี้ที่มันเล่น ง, งานท่านมาตลอดทางจนถึงวันที่ท่านตัดสรู้ธรร ม, มาเพราะทีแรกท่านไม่ได้ปล่อยมันพอท่านทรงจับตรงนี้ได้ก็ทรงปล่อยวางแล้วจึงได้แสดงปฐมเทศนาให้สาวกฟังเลยว่ากามาสุขันลิการุโยโคนั้นสมณะอย่าพึงเดินไป อันนั้นไม่ใช่ทางของสมณะคือใครไปติดใครไปยึดไปสำคัญมั่นหมายอยู่ในกามนี้มันก็วุ่นวายความสงบไม่มีในที่นั้นสมณะเกิดขึ้นไม่ได้ท่านว่าทางนี้อย่าเดินส่วนอัตตากิละมัานุโยโคทางนี้มันก็เยี่ยมโหดรุนแรงทางนี้อย่าเดินไปสมณะไม่อยู่ที่นี่ ความสงบไม่มีอยู่ที่นี่สมณะไม่เคยเกิดในทางนี้ความสงบไม่อยู่ทางนี้คือทั้งสุขและทุกนี้สมณะอย่าเดินไปสุขก็อย่าลืมตัวทุก็อย่าเดินไปให้รู้ทันมันมันจะเกิดทุกก็ให้รู้ว่าจะเกิดทุกเมื่อรู้จักทุกก็รู้ทางที่จะให้เกิดทุกและรู้จักความดับทุกขหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก ข, ข้อปฏิบัตินี้คือการภาวนานี้เอง พูดง่ายๆก็เรียกว่าเราต้องเป็นผู้มีสติคือมีความรู้ความระลึกอยู่เสมออยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เรามีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราดูอย่างนี้มีสติอยู่เสมอว่าเราอยู่อย่างไรเรารู้ตัวว่าขณะนี้เรามีอะไรอยู่กำลังคิดอะไรกำลังสุขหรือกำลังทุกข์ผิดหรือถูกอยู่เดี๋ยวนี้ที่เราปรารถนาสิ่งทั้งหลายอยู่อย่างนี้ปัญญามันก็เกิดขึ้นมาแล้ว นั่นระลึกได้อยู่รู้ได้อยู่มันก็วิ่งไปหาปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นมาเราก็วิภาควิจาร์พิจารณาเราจะยืนเราจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ก็ตามทีมีความรู้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันก็รู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักพอดีรู้จักไม่พอดีเมื่ออารมณ์ที่พอใจเกิดขึ้นมาอยู่นี้เราก็รู้จักเราไม่ไปสำคัญมั่นหมายมัน มันสักแต่ว่าสุขเมื่อทุกเกิดขึ้นมามันเป็นอัตตากิละมะัทฐานโยโครเราก็รู้ว่าเอออันนี้มันไม่ใช่ทางของสมณะเรียกว่าสักว่าทุกสักว่าสุขเป็นของสักว่าเท่านั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราสามารถแยกจิตกับเวทนาออกจากกันได้แล้วถ้าจิตเราฉลาดเราก็ไม่ไปยึดแต่หวางเป็นผู้รู้เฉย รู้เท่าแล้วปล่อยไปตามสภาวะอันนั้นลักษณะของจิตกับเวทนาทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แม้ว่าเราเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ยังรู้สึกว่าเวทนามันก็เป็นเวทนาจิตมันก็เป็นจิตเป็นคนละอย่างกันอยู่รู้จักเจ็บไหมรู้จักรู้จักสบายไหมรู้จักแต่เราไม่ไปอยู่ในความสบายและความไม่สบายนะั้นอยู่แต่ในความสงบสงบอย่างไง สงบจากความสบายนั้นสงบจากความทุกข์นั้นอันนี้ชี้ให้เห็นอย่างนี้เพราะมันไม่มีตัวตนจะอยู่อย่างไรก็ไม่ได้มันก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละคือหมายความว่าท่านไม่มีสุขไม่มีทุกข์ท่านรู้ว่ามันสุขมันทุกข์อยู่เหมือนกันแต่ท่านไม่ไปแบกมันไวเวทนานั้นมันก็ไม่เกิดอย่างนี้ถ้าหากว่าปุถุชนเราก็จะว่ามันเป็นเรื่องแปลก แต่จะเป็นปุถุชนก็ช่างเถอะให้เรามุ่งตรงไปเลยมุ่งไปตรงนั้นเลยทีเดียวมันมีอยู่อย่างนั้นจิตมันก็เป็นส่วนของจิตอยู่อย่างนี้เราพบสุขทุกข์ก็เห็นว่ามันเป็นส่วนสุขทุกข์อยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรกับมันมันแยกกันอยู่ไม่ใช่ว่ามันปนกันอยู่ถ้ามันปนกันอยู่เราก็ไม่รู้ทั่วถึงมันเท่านั้นแหละความเป็นจริงลักษณะอันนี้มันแยกกันอยู่นี่คือเรื่องของกายกับจิต แม้ว่ามันจะอยู่รวมกันอยู่อย่างนี้ก็ตามอย่างว่าบ้านเรากับเราที่อยู่ในบ้านมันก็เนื่องกันอยู่อย่างนั้นแหละถ้าบ้านของเรามีอันเป็นไปจิตของเราก็เป็นทุกข์เพราะถือเป็นเจ้าของความจริงมันก็คนละคนอันหนึ่งมันเจ้าของบ้านอันหนึ่งมันบ้านมันเป็นอยู่อย่างนั้นเองของมันมันไม่ใช่อันเดียวกันดังนั้นจิตก็ดีเวทนาก็ดีถึงเราจะพูดแยกมันออกอย่างนี้ก็ตาม แต่ความจริงมันก็แยกของมันอยู่แล้วคือเพียงเรามารู้ตามเป็นจริงของมันเท่านั้นมันรู้จักแยกของมันเองมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วที่ไปเห็นว่ามันไม่แยกก็เพราะว่าเราไปยึดมั S> <S ่นถ so ือมั่นมันด้วยเราไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็คุมกันอยู่อย่างนั้นก็เหมือนช้อนที่เราซดแกงนะแกงมันก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าคนเรารู้จักว่าอันนี้เป็นแกงอันนี้เป็นช้อนมันก็สบายนะ เอาซดน้ําแกงแล้วก็เอามันหวานไว้มันก็สบายถ้าเราไปแบกช้อนอยู่มันก็ลาบากสิไม่เห็นช้อนเป็นช้อนไม่เห็นแกงเป็นแกงไม่เห็นเวทนาเป็นเวทนาไม่เห็นจิตเป็นจิตมันก็ยุ่งเท่านั้นแหละถ้าเราคิดกันได้เช่นนี้จะยืนมันก็แยกกันอยู่จะเดินจะนั่งจะนอนมันก็แยกกันอยู่มันก็มีสุขทุกสลับซับซ้อนกันอยู่ทุกเวลานั่น ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงให้เราภาวนาการปฏิบัติภาวนานี้เป็นของสำคัญรู้เฉยๆไม่พอรู้เกิดจากการปฏิบัติที่จิตสงบ ก, กับรู้ที่เราเรียนมนันมันไกลกันอยู่มากทีเดียวมันไกลกันมากรู้ในการศึกษาเล่าเรียนนั้นมันไม่ใช่จิตของเรารู้รู้แล้วมันตะครุบไว้เก็บไว้ทำไมเก็บไว้เพื่อให้มันเสียเสียแล้วก็ร้องไห้ ถ้าเรารู้แล้วก็มีการปล่อยวางรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ลืมตัวเมื่อถึงคราวทุกข์เจ็บไข้มาเราก็ไม่หลงบางคนคิดว่าเออปีนี้ฉันเป็นไข้ตลอดปีนะไม่ได้ภาวนาเลยนี่คือคําพูดของคนที่โง่ที่สุดเลยคนเป็นไข้คนจะตายนีย่มันควรจะรีบภาวนายิ่งขึ้นอันนี้ยิ่งพูดไปว่าเราไม่มีเวลาภาวนาเสียเลยความเจ็บมันก็เกิดขึ้นมา ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาความไม่ไว้ใจในสังขารเหล่านั้นมันก็มีมาแล้วก็ยังเข้าใจว่าเรายังไม่ได้ภาวนาพระพุทธองค์ท่านไม่ตัดอย่างนั้นท่านตัดว่านั่นแหละมันกำลังถูกที่ที่เราปฏิบัติละจวนจะเจ็บจะไข้จะตายยิ่งเร่งยิ่งรู้ยิ่งเห็นสัจธรรมมันเกิดขึ้นเดียวนั้นแหละถ้าเราไปคิดเช่นนั้นมันก็ลาบากนะ บางคนก็คิดว่าไม่มีโอกาสมีแต่การงานทั้งนั้นไม่มีโอกาสที่จะภาวนาเคยมีอาจารย์หลายคนมาที่นี่อาัตามาถามว่าทำอะไรอยู่เขาตอบว่าสอนเด็กมีงานมากสารพัดอย่างวุ่นไม่มีเวลาจะภาวนาอาัตามาถามว่าเมื่อสอนเด็กนักเรียนนะ่ะคุณมีเวลาหายใจไหมมีครับอ้าวทำไมมีเวลาหายใจละ่ะที่ว่าสอนเด็กอยู่งานมันยุ่ง นี่คุณห่างไกลไปความเป็นจริงเรื่องปฏิบัติมันเป็นเรื่องของจิตเรื่องความรู้สึกไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปวิ่งเต้นอะไรมากมายเป็นเรื่องความรู้สึกเท่านั้นลมหายใจนั้นเราทำงานอยู่เราก็หายใจไปเรื่อยๆรยืเราพยายามแต่เพียงให้มีสติให้รู้อยู่เท่านั้นพยายามเรื่อยเรื่อเข้าไปให้เห็นชัดเข้าไป การภาวนาก็เหมือนกันฉันนะั้นถ้าเรามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้จะทำงานอะไรอยู่ก็ต่างมันจะยิ่งทำให้การงานเหล่านั้นทำอย่างรู้ผิดชอบอยู่เสมอนี่ให้เข้าใจใช่ไหมอาตมาบอกเขาอย่างนี้เวลาที่จะภาวนานั้นมันเยอะคุณเข้าใจไม่ถึงเฉยๆหรอกนอนอยู่ก็หายใจได้ใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็หายใจได้ทำไมมันจึงมีเวลา ถ้าคุณคิดอย่างนี้ชีวิตของคุณก็มีราคาเท่ากับลมหายใจแล้วมันจะอยู่ที่ไหนก็มีเวลาความรู้สึกนึกคิดมันเรื่องของนามธรรมาไม่ใช่เป็นเรื่องของรูปธรรมดังนั้นเพียงแต่ให้มีสติอย่างเดียวเท่านั้นก็จะรู้จักความผิดชอบอยู่ตลอดการทั้งการยืนเดินนั่งนอนเหล่านั้นเวลามันเยอะไปเราไม่ฉลาดในเรื่องเวลาของเราเอง อันนี้ให้คุณเอาไปพิจารณาดูมันเป็นอย่างนี้เรื่องเวทนานี้เราจะหนีมันไปไหนไม่ได้เราต้องรู้มันเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์มันเป็นของสักว่าเท่านั้นเลแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นมันทำไมถ้าจิตเราฉลาดแล้ว เพียงคิดเท่านี้มันก็แยกเวทนาออกไปจากจิตได้เวทนานี้สักว่าเวทนามันก็เห็นสักว่าเทนทุกมันก็สักว่าทุกสุขมันก็สักว่าสุขมันก็แยกกันเท่านั้นแหละแล้วมันมีอยู่ไหมมีแต่มันมีอยู่นอกใจมันมีด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไปทำความสาคัญมั่นหมายกับมันมีแล้วมันก็คล้ายๆกับว่ามันไม่มีเท่านั้นเองห นี่เรียกว่าการแยกเวทนาออกจากจิตพระรู้ว่าจิตมันเป็นอย่างไรเวทนามันเป็นอย่างไรจิตก็คือตัวที่เข้าไปรู้ในสุขเป็นตัวที่ละเอียดเข้าไปแล้วตามเข้าไปให้รู้ว่าสุขนั้นมันแน่หรือเปล่าทุกข์นั้นมันแน่หรือเปล่าเมื่อเราตามเข้าไปเช่นนี้ปัญญามันก็เกิดขึ้นที่จิตมันก็แยกสุขทุกข์ออก สุขมันก็กลายเป็นว่าสักว่าทุกข์มันก็กลายเป็นว่าสักว่าไม่เห็นมีอะไรอะไรๆมันก็เป็นของสักว่าเท่านั้นเรามีความรู้อยู่อย่างนี้ตลอดต้นจนปลายเท่านั้นจิตของเรามันก็ปล่อยวางแต่ไม่ใช่ปล่อยวางด้วยความไม่รู้นะมันวางแล้วก็รู้อยู่ไม่ใช่วางด้วยความโมง่ ไม่ใช่วางเพราะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคือวางเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าเห็นธรรมชาติหรือเห็นของธรรมดาเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราก็เป็นผู้ชำนาญในจิตรู้จักตามรักษาจิตฉลาดในจิตของตนเพราะฉะนั้นเมื่อฉลาดในจิตก็ต้องฉลาดในอารมณ์เมื่อฉลาดในอารมณ์ก็ย่อมฉลาดในโลก อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นโล ก, กวิถีพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกอยู่ท่ามกลางสิ่งที่มันยุ่งยากท่านก็รู้ในสิ่งที่มันยุ่งนั่นแหละโลกนี้เป็นของวุ่นวายทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงรู้แจ้งโลกได้นี่เราเข้าใจว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ไม่มีอะไรที่จะเหนือความสามารถของพวกเราทั้งหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จิตเป็นจิต เวทนาเป็นเวทนาเท่านี้มันก็แยกออกเป็นคนละอยา่างคนละตอนจิตมันก็พ้นได้สบายอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นของมันเองเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นมันเกิดแล้วก็ดับไปดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับมันก็เป็นอยู่เท่านั้นเรารู้แล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้เห็นตามที่เป็นจริง อันนี้ปัญหามันก็จะจบลงที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแม้เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ขอให้มีการประพฤติปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดการเวลาเรื่องที่ถึงคราวนั่งสมาธิเราก็ทำไปให้เข้าใจว่าการทำสมาธิก็เพื่อให้เกิดความสงบความสงบนั้นมันจะเพาะกำลังให้เกิดเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่านั่งสมาธิเพื่อจะตามไปเล่นอะไรมากมายหรอก ดังนั้นการทำสมาธิก็ต้องให้มันสม่ำเสมอการทำวิปัสสนาก็คือทำสมาธินั่นเองบางแห่งเขาก็ว่าบัดนี้เราทำสมาธิต่อไปเราจึงจะทำวิปัสสนาบัดนี้เราทำสมถะเป็นต้นอย่าให้มันห่างกันอย่างนั้นสิสมถ า, านี่แหละคือบ่อเกิดของปัญญาปัญญานี่คือผลของสมถะ จะไปถือว่าบัดนี้เราทำสมถธิต่อไปเราจะทำวิปัสสนาอย่างนั้นมันแยกกันได้ก็แต่คำพูดเหมือนกับมีดเล่มหนึ่งนะคมมันก็อยู่ข้างนึ่งสันมันก็อยู่ข้างหนึ่งนั่นแหละมันแยกกันไม่ได้หรอกถ้าเราจับด้ามมันขึ้นมาอันเดียวเท่านั้นมันก็ติดมาทั้งคมทั้งสันนั่นแหละความสงบมั้นมันก็ให้เกิดปัญญาในตรงนั้น ให้เข้าใจว่ามันเป็นท่อนฟืนดุ่นเดียวกันนั่นแหละมันจะมีมาจากไหนละ่ะมันไม่มีพ่อแม่พ่อแม่ไม่ได้เกิดมานะธรรมะจะเกิดขึ้นที่ไหนละ่ะศีลก็คือพ่อแม่ของธรรมะนี่คือสงบหมายความว่าความผิดทางกายทางใจมันไม่มีเมื่อไม่มีมันก็เป็นศีลและมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันไม่มีความผิด ทีนี้เมื่อไม่เดือดร้อนความสงบระงับมันก็เกิดขึ้นมานี่คือจิตเกิดความสงบขึ้นมาแล้วในตัวของมันเองอันนี้ท่านจึงว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันเป็นทางของพระอริยเจ้าจะดำเนินเข้าไปสู่พระนิพพานมันเป็นอันเดียวกันถ้าพูดให้สั้นเข้ามาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี มันเป็นอันเดียวกันศีลก็ spoiler, mantra, ะคะือ ส, ส, ส, ส, สมาธิ ส, ส, สมาธิก็คือศีลสมาธิก็คือปัญญาปัญญาก็คือสมาธิก็เหมือนมะม่วงใบเดียวกันนั่นแหละเมื่อมันเป็นดอกขึ้นมามันก็ดอกมะม่วงเมื่อเป็นลูกเล็กๆก็เรียกว่าผลมะม่วงเมื่อมันโตขึ้นมาก็เรียกว่ามะม่วงลูกโตมันโตขึ้นไปอีกก็เป็นมะม่วงหาเมื่อมันสุกก็คือมะม่วงสุก มันก็มะม่วงลูกเดียวกันนั่นแหละมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปมันจะโตมันก็โตไปจากเล็กเมื่อมันเล็กก็เล็กไปหาโตจะว่ามะม่วงคนละใบก็ได้จะว่าใบเดียวกันก็ถูกศีลก็ดีปัญญาก็ดีมันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนั้นผลที่สุดแล้วก็ต้องเป็นมักเดินทางเข้าไปสู่กระแสของพระนิพพาน มะม่วงตั้งแต่เป็นดอกมาเป็นต้นมันก็ดำเนินไปถึงที่มันสุกก็พอแล้วนี่ให้เราเห็นเช่นนี้ถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็ไม่ว่ามันเขาจะเรียกให้เป็นอะไรก็ช่างมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่จะเป็นอะไรก็ตามพิจารณาไปถึงบางคนก็ไม่อยากจะแก่แก่แล้วก็น้อยใจนั้นก็อยา ก, กินมะม่วงสุกสิ จะอยากให้มะม่วงสุกทำไมล่ะเมื่อสุกไม่ทันเราก็เอามันไปบ่มไม่ใช่หรอถึงเราจะแก่ก็ไม่ต้องหวนน้อยใจบางคนก็ร้องไห้กลัวว่ามันจะแก่ตายอย่างนั้นมะม่วงสุกก็ไม่ต้องกินสิกินดอกมะม่วงดีกว่านะนี่แหละถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็เห็นธรรมะกระจ่างออกมาเราก็สบาย มีแต่จะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติไป